วันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกันฟังเทศฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> การฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นการเจริญปัญญาเจริญสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาขั้นต้นคือขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสุตะมยยะปัญญา คือความรู้ความเห็นที่ถูกต้องที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมำคำสอนของพระพุทธเจ้าทำขั้นปัญญาขั้นที่หนึ่งนี้ยังไม่สามารถใช้ในการดับกิเลสตัณหาดับความทุกข์ได้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 ใจของเราแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องของพระอริยสัจสี่ก็คือทุกขสมุทัยนีโรธมักทุกขก็คือความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจสมุทัยก็คือ ต้นเหตุที่ทำให้เกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจนิโรธก็คือการดับของความไม่สบายอกไม่สบายใจมักก็คือวิธีการที่จะทำให้ความไม่สบายอกไม่สบายใจนั้นดับไปหายไปพอเรารู้แล้วว่า ความทุกข์ความไม่สบายใจของเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ต้นเหตุก็คือสมุ ท, ทยัยคือความอยากทั้งสามประการคือกามัตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าเราอยากจะให้ความทุกข์ความไม่สบายใจหายไปหมดไปเราก็ต้องละ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 ก็คือสัมมากรรมมันโตสัมมาวาจาลนะสัมมาอาชี ว, วสัมมากรรมมันโตก็คือการกระทาที่ถูกต้องสัมมาวาจาก็คือการพูดที่ถูกต้องสัมมาอาชี ว, วก็คือการมีอาชีพที่ถูกต้อง สัมมามันโสัมมาวาจา ก, ก็อยู่ในสีลหศสีล8สีล227ข้อนี่เองเช่นการไม่ฆ่าการไม่รักษาการไม่ประพฤติผิดโปรเเเนีการไม่พูดปดการไม่เสพสุรายาเมาและอบายมุข ต, ต่างๆนอกจากสุราแล้วก็มีการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืน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 ได้แต่เป็นปัญญาที่จะเตรียมเพื่อให้เกิดปัญญาขั้นที่สามต่อไปปัญญาขั้นที่สามก็คือภาวนามยะปัญญาปัญญาขั้นที่สามนี่แหละที่จะเป็นปัญญาที่จะสามารถทำลายตัณหาต้นเหตุของความทุกข์ใจได้หยุดความอยากได้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 เราจำได้เราก็จะตอบคำถามได้เราก็จะทำข้อสอบได้แต่ข้อสอบทางธรรมนี่มันอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความทุกข์ใจของเราและอยู่ที่ความอยากของเราที่เป็นต้นเหตุของการทำให้เกิดความทุกข์ใจอันนี้ต้องเกิดต้องมี เครื่องไม้เครื่องมือมามาช่วยทําข้อสอบคือความจําเพียงอย่างเดียวนี้ไม่พอเช่นเราจําได้แล้วว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากแต่เวลาเราเจอข้อสอบเจอความทุกข์ใจเจอความอยากเราหยุดไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะจําได้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจของเรานี้ คือความอยากแต่เราหยุดไม่ได้ก็ทํทำให้เรายังไม่สามารถสอบผ่านได้คือว่าเรายังไม่มีภาวนามยปัญญาตอนนีภ้ภาวนามยปัญญานี้ต้องมีสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายาโมความเพียรชอบเพียรเจริญสติอย่างต่อเนื่อง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 ก็จะเกิดความทุกรอบใหม่ขึ้นมาก็ต้องสูบบุหรีอีแต่ก็จะไม่สามารถที่จ ะ, ะละความอยากจะสูบบุหรีดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากจะสูบบุหรี่ได้อย่างเท้าออนเป็นการดับเป็นพักๆไปเพราะเกิดความอยากสูบบุหรีก็สูบบุหรีพอสูบบุหรีแล้ว ความญหงุหงิดนาทางใจก็หายไปความอยากก็หายไปชั่วข่าวพออีกสักระยะหนึ่งก็เกิดความอยากที่จะสูุบุรี่มวลใหม่ขึ้นมาอีกถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิคือรู้ว่าการที่เราจะดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากสูุบุรี่ได้เราต้อง ไม่ทำตามความอยากเพราะว่าทำไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็นการดับความความทุกข์อย่างแท้จริงแล้วถาวรเป็นการผลักความทุกข์ไปข้างหน้านั่นเองไ ป, ไปในอนาคตคือในอีกสิบห้นาทีหรือยี่สนาทีก็จะเกิดความอยากที่จะสูบบุหรี่ใหม่ขึ้นมาอีกถ้าอยากจะดับความทุก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 ทั้งทงที่บอกว่าข้าวนี้กินกไปแล้วจะทำให้ท้องเสียแต่ความอยากความหิวนี้มันจะทำให้ยอมท้องเสียแต่ตอนนี้ขอกินก่อนแต่คนที่กินข้าวอิ่แล้วพอบอกว่าอาหารจานนี้กินแล้วจะทำให้ท้องเสียก็จะไม่ไม่กินทันทีอันนี้เป็นข้อสอบต้องเกิดเวลาที่เกิด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 นี่คือข้อสอบที่จะต้องใช้ภาวนาเมยปัญญาเป็นผู้ตัดสินสุตตะเมยัปัญญาเป็นเพียงเป็นการบอกให้รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจินตามยัปปัญญาเป็นการไข้ควรทบทวนคิดอยู่เรื่อยเพื่อไม่ให้ลืมว่าจะต้องทำอย่างไร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 จะตามไม่ทันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ดูกายก่อนกายยะกตาสติก่อนในสติปัฏฐานสี่มีจุดที่ให้ดูอยู่สี่จุดจุดแรกก็คือกายจุดที่สองก็คือเวทนาจุดที่สามก็คือจิตและจุดที่สี่ก็คือธรรมท่านให้ดูกายก่อนเพราะว่ากายเป็นส่วนหยาบเป็นส่วนชา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 จะนนสติที่กายก่อนเฝ้าดูการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาห้าใจเกาะติดอยู่กับร่างกายเวลานั่งสมาธิใจก็จะไม่ดอยไปดอยมาให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธก็จะบริกรรมแต่พุโทโธเพียงอย่างเดียวไม่เหมือนกับพวกเราที่เวลานั่งสมาธิกันเวลาบริกรรมพุโทโธได้สักสองสาครั้งก็ ไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วถ้าทำอย่างนี้แล้วนั่งไปนานสักเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้จะสงบได้นี้ต้องอยู่กับคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปอย่างต่อเนื่องถ้าทำได้ภายใน 4- ีหนาทีใจก็สามารถเข้าสู่ความสงบได้รวมเป็นเหน็ดได้เป็นอุเบกขาได้สักตาวา่วรโรได้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 ใจก็จะเชื่อแต่ถ้าไม่มีไม่มีสมาธิไม่มีอุบเบกขาต่อให้เอาพระพุทธเจ้ามาสอนต่อหน้าก็ทำตามไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้ mm hmm. เช่นพระเทวทัตนี่พระพุทธเจ้าเป็นคนสอนพระเทวทัตเองเวลาเกิดความอยากเป็นผู้ประทานปกครองสงฆ์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 กับเกิดความโกรธแค้นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะไม่ได้ทําเพราะไม่ได้ดังใจอยากความความอยากนี้จึงทําให้เกิดความทุกข์เกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองขึ้นมาเกิดการอาฆาตพยาบาทขึ้นมาจนถึงกับพยายามปลงพระชนพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันนี่ก็เพราะว่าไม่มีสัมมาสมาธิ พระเทวทัตนี้ท่านมีมิจฉาสมาธิเวลานั่งสมาธิท่านจะไม่เข้าสู่อุเบกขาท่านจะออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไปรับเรื่องอิทธิฤทธิปาติหารเท่าที่ทราบท่านได้ท่านสําเร็จทางนี้สําเร็จทางอิทธิฤทธิปาติหารมีอิทธิฤทธบางอย่างแต่ท่านไม่มีอุเบกขาไม่มี สมาสมาธิเวลานั่งสมาธิทีไรก็ไม่จิตไม่รวมเป็นหนึ่งไม่เป็นเ อ, เนเอขะกขัตตาลมไม่เป็นอุเบกขาสัจแตวโรแต่ไปกลับไปมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆก็เลยหลงคิดว่าอิทธิฤทธิ์นี้เป็นของวิเศษจึงกล้าขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าขอเป็นประธานสงฆ์พอพระพุทธเจ้าไม่ ตอบสนองความอยากท่งห้ามตามส่งสอนให้ละความอยากนี้เพราะว่าเป็นความอยากที่จะทําให้ทําลายตนเองสร้างความทุกข์ให้กับตนเองก็ไม่ยอมฝังก็ยังอยากได้อยู่ยังอยากเป็นประธานสงอยู่เตรีวางแผนที่จะตรงพระชนมพระพุทธเจ้า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 ดังนั้นการปฏิบัติของเราจึงต้องอยู่ที่การเจริญสัมมาทิฏฐิควบคู่ไปกับการเจริญสัมมาสมาธิคือเราต้องมีทั้งสองส่วนมีสัมมาสมาธิมีอุเบกขาแล้วก็มีสัมมาสมาธิที่คอยที่ที่คอยจะเตือนคอยสอนใจเราว่า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 เราต่อไปเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจความหงุดหงิดใจกับความอยากจะสู่บุหรีเห็นคนอื่นสู่บุหรีเห็นบุรีเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยนี่คือการเจริญปัญญาเราจะต้องจบลงตรงที่ขั้นภาวนาไมยปัญญา mm hmm. การเจริญปัญญานี้ก็เพื่อ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 ไม่ได้หยุดความตายแต่อย่างใดคนเจลาหยุดความทุกข์หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายได้แล้วก็จะเจ็บอย่างสบายจะตายอย่างสบายเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือพระสโสดาบันขึ้นไปท่านเหล่านี้ท่านเจ็บอย่างสบายท่านตายอย่างสบายเพราะท่านมีปัญญามีภาวนามายปัญญาที่จะ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 ขั้นต่อไปก็เหมือนกันขั้นต่อไปก็เกิดจากความอยากในกามอารมณ์เห็นรูปสวยรูปงามก็เกิดกามอารมณ์อยากจะได้เขามาสัมผัสมาเศวก็จะทำให้เกิดความหงุดหงิดใจเวลาที่ยังไม่ได้เศว จ, จะหายไปก็ต่อเมื่อได้เศวกามแล้ว แต่ถ้าเสกแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดความอยากจะเสกขึ้นมาใหม่มันก็จะไม่มีวันสิ้นสุดการที่พวกเรากลับมาเวียนว่าตายเกิดอยู่อย่างนี้มาซ้าแล้วซ้ำอีกก็เพราะความอยากจะเสกกรามตัวนี้เองอยากจะเสก ร, รูปเสียงกลิ่นลดผลประภในในรูปร่างของคนนี้เองอยากจะอยู่ใกล้เขาอยากจะร่วมหลับนอนกับเขา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 เวลาเกิดความอยากที่จะเวลาเห็นร่างกายที่สวยงามก็จะเกิดความอยากจะเสดกามขึ้นมาแต่ถ้าเรามีอัุภะพอนึกถึงส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายมันก็จะทําให้ความอยากจะเสดนั้นหายไปได้คือกามตันหาหรือกามราคะนี้ดับไปได้อันนี้ก็เป็นการ เข้าห้องสอบขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นสกิดาขามีขั้นอนาคามีนี้ท่านต้องใช้สัมมาทิฏฐิก็คืออสุภะความไม่สวยไม่งามเพื่อที่จะได้ระงรับดับกามอารมณ์ดับกามราคะดับกามตนาันหาอันนี้ก็เป็นการใช้ภาวนามายปัญญา กิจะต้องเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วดูสิว่าเรามีมุขเคยมีสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิที่จะดับการอารมณ์นี้ได้หรือเปล่าดับการมาตันหานี้ได้หรือเปล่าถ้าดับได้ความทุกข์ก็จะหายไปแล้วความอยากในการอารมณ์ก็จะหมดไป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 ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าของเหล่านี้เป็นของชั่วข่าวไม่เที่ยงเป็นกระฐานนั้นไม่เป็นกระฐานนั้นเอเป็นปับ๊บเดี๋ยวมันก็หมดไปคนสรรเสริญพูดชมปับ๊บเสมันก็จบไปพอพิจารณาเห็นว่ามันไม่เที่ยงประยาดประมาณนนัะ้จะทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรก็จะละได้ละมานะการถือตัว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 จบแล้วไม่ต้องเรียนหนังสืออีกต่อไปนะไม่ต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมีความทุกข์อยู่ภายในใจอีกต่อไปใจมีแต่ปรมงสุขขังอยู่ตลอดเวลาการที่เราจะเรียนจบได้นี้เราก็ต้องเจริญสัมมาทิฏิทั้งสามรูปแบบคือสุตมยาปัญญา จินตามายะปัญญาและภาวนาไมยะปัญญาสุตตมายะปัญญาก็คือศึกษาขังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างสม่าเสมออย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้ขึ้นไปตามระดับแล้วก็นำคำสอนที่ได้ยินได้ฟังนี้มาทบทวนเมื่อพิจารณาอยู่เนืองๆ เ, เพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลลง แล้วพอเกิดมีข้อสอบขึ้นมาเกิดความตายขึ้นมาเกิดความเจ็บขึ้นมาเริ่มต้นอาจจะเกิดความตายของบุคคลที่เรารักก็ได้ไม่ต้องเป็นของเราเองดูซิว่าเราจะเฉยได้ไ้ยเวลาคนที่เรารักเขาตายจากเราไปคนที่รักเขาเจ็บไข้ได้ป่วยรักษายังไงก็รักษาไม่หายเป็นอามาพอามภาะ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 ไม่ไปทำการบ้านกันไม่พิจารณาอย่างเรีองๆว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายแล้วก็พอถึงเวลาต้องเข้าห้องสอบก็ทำข้อสอบไม่ได้วุ่นวายไปหมดวิ่งไปหาพระซื้อผ้าขาวไปประเคนพระมันเป็นพับประเคนร้อยพับผ่านพับมันก็ไปแก้ความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้อยู่ดีมันไปนแก้ความทุกข์ใจไม่ได้อยู่ดี จะแก้ความทุกข์ใจได้ต้องมีภาวนามาย์ปัญญาเท่านั้นจะเกิดภาวนามาย์ปัญญาได้ก็ต้องมีจินตามาย์ปัญญามีการเจริญมรรคก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่อย่างต่อเนื่องเท่า น, นั้นถึงจะมีภาวนามาย์ปัญญาพอเกิดเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมา เกิดตันหาความอยากขึ้นมาก็จะสามารถใช้ภาวนาไมยักปัญญานี้มาดับความทุกข์ความวุ่นวายใจได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อผ้าเป็นผับผไปถวายพระไม่ต้องไปวุ่นวายกับผ้าให้เสียเวลาพระก็ไม่รู้จะเอาผ้าไปทำอะไรผ้าเป็นผับผตัวเองก็ใช้แค่ผืนเดียว งั้นขอให้พวกเรามาขอให้พวกเรามาเจริญปัญญาทั้งสามขั้นนี้กันวันนี้เราก็เจริญขั้นที่หนึ่งคือสุตตระรรมายาปัญญาแล้วขั้นที่สองก็ขอให้นําเอาไปทบทวนอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆสร้างมรรคขึ้นมา สร้างสัมมาสติสร้างสัมมา ส, าสมาธิสร้างสัมมาทิฐิขึ้นมาแล้วเพื่อที่เวลาเกิดข้อสอบขึ้นมาเราจะได้ทำข้อสอบได้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอนต่อไปก็ให้ท่านที่ต้องการจะถวายข้าวของต่างๆก็ เข้ามาได้ขอให้เข้ามาทางนล้ออกทางจะสะดวกกว่านะเข้ามาทางข้างในด้านในแล้วออกทางด้านหน้านี่เปิดทางให้หน่อยวันนี้เราเต็มแจกหน้าเลยครับเข้าสบายค่ะ เต็มสรนะครับมันโดนกันท่าะนะหวมันโดนกันท่าะมันโดนกันท่ะอะไรกนซะร่งซื้อได้จริงแต่ว่าต้องมาแก้ที่ใจแก้ที่ผ้าไม่หายหรอกาย ดีในเว็บจะมีทุกแผ่นนะครับตอนนี้แผ่นแต่ก็จะเต็มแล้วนะครับเจ็ดนเมดียังมเจ็ดเจดือนหน้าเจ็ดเดือนหน้าเจ็ดเอนน้าผมไม่มันผึิออกมายังไม่หมดเลยเราให้มันหมดอายุกี่ะ มันเป็นความสูงชั้นว่าที่สามเยต่ถาเหนมันจะดี่าหยยยอื่นเหมนเนบา่มมันจะไม่เหรอ ม, ม, มันทำเี่ยที่ย่ที่มกนรย่าเนียม่มันทเี่ยงของผ้าป่าที่จะต้องใช้ผ้าขาวมาจาักเย็ดจีวรท่านจะไม่ใช้ท่าสีสำเร็จรูปสมัยก่อนนี้ไม่มีใช้ผ่าผ้าขาว มาจับนล้วาซักพยามไม็ไมไนอหมายว่าภาพเดียดที่ภาพเดียอื่นนะคะของอื่นไม่ได้ของไ่ที่เว้ามอม่มันอยู่ที่คนใช้ไงคนรับถ้าขาดอะไรสิ่งนั้นก็มีมีคุณประโยชน์ถ้าาาสิ่งนั้นมีเยอะอยู่แล้วมันก็ไม่มีคุณประโยชน์แต่ว่า <นะ S 2> ไม่ได้คู่ให้ไม่ได้ได้คู่ ม, มากกว่าได้เท่ากันบุญอยู่ที่มีเงินที่เราเสียไปเพียงแต่ว่าเสียเปในรูปแบบไหน ันรูปแบบผ้าอาหารยารักษาโรคเราก็ต้องดูคนรับว่าเขาขาดอะไรเขาขาดยาแต่ซื้อผ้าให้เขาซื้อผ้าอ่ฮะเข้าใจเข้าใจอันนี้เดียวที่ไม่ได้ใช้ปัญญาอา้าวุโองกันแต่ยี่สิผนอ่ะอังเ้ขาก้มทขารแล้วเขางนเาไม่มีไม่ให้เขาอย่างนี้อะไร เลื่อไปใช้กระรองเพลไปได้ก็ต้องเอาไปแล้วแต่ที่ไหนเขาต้องการใช้ก็ไปให้เขาต่อถ้ามีล้องยาถ้ามีตำรามองเพลจักรู้แล้วก็ไม่ค่อยเคลียห์แต่ระหว่างสัญญาทานกับทยาทานพระเอาลงมาที่บมานแม้วมันมันเหมือนกันเลยสัญญาทานสามขะทานอะไรนะพระทยยาทานนี้ท่านหมายถึงข้าวของต่างๆที่ญาติโยมมาถวายพระ ท้าออสเรียนมีชื่อรวมกันว่าทายาทานจะเป็นจีวรเป็นอะไรต่างยาเป็นหยุกยาข้าวของอะไรต่างๆทะเลทายาทานทายาธรรมส่วนสังฆทานนี้เป็นทานที่เรามอบให้กับสงคำว่าสังแปลว่าสงสงในที่นี้กหมายถึงส่วนรวมไม่ใช่ส่วนบุคคล ถ้าถวายส่วนบุคคล น, นี่เรียก บ, บุคลิศกทานถ้าเราถวายให้ถวายให้พระาจารย์องค์เดียวนี่เป็นของพระาจารย์องค์เดียวเนี่ยเรียก บ, บุคลิกทานแต่ถ้าถวายเป็นสังฆทานนี่คือเป็นของพระทุกรูปที่อยู่ในวัดนี้ที่ได้มีการดูแหวนตอนที่เขาสวดศพตอนค่าๆนะฮะแล้วก็ถวายแต่ละองค์ต้องบอกเรียกว่าถวายพยาทาน ก็นะเป็นทายทานไงก็เป็นของที่ถวายพระเลรว่ายทานคือสิ่งของแต่สิ่งของ็อเดียวกันใช่ไม่ใช่คือบุคคลในอันเดียวกันคือถวายของเขาพูดาถวายของแต่เขาไม่ได้ถวายเขาไม่ได้บอกว่าถวายแบบไหนถวายเป็นสังฆทานหรือถวายเป็นบุคคลิกทานคือทถวายใช่ตอนแของที่ทวัตถุประสงค์ต่างๆใช่อธิบายเอของของทยทานคือของ ของที่ถวายพระเราเรียกว่าทยายาทารถวายให้เป็นถวายเป็นส่วนกลางก็เรียกว่าสังฆทานถวายจับเพาะเจาะจงบุคคลก็เรียกว่าบุ ค, คลิธกทานก็<อ>มีแค่นั้นเกลียแล้วยังขนาดเซอเอ็ดเลย ทานยาทานนี่คงจะเป็นเหมือนกับลาชาศั์เป็นเป็นศัพ์มาจากทางบาลีอะไรนี่ความหมายก็คือของที่เราเอาไปถวายพระนี่เราเรียกทายธทานส่วนถ้าเราจะถวายให้เป็นของสงฆ์เช่นเเวลาเราถวายกุตติถวายโบสถ์จีดีนี่เราจะถวายเป็นสังฆทาน หรือกระถินนี่ท่านก็ให้ถวายเป็นสังฆทานส่วนข้าวของที่เราจัดมาถวายให้ท่านเป็นชุดๆนี่ความจริงมันเป็นบุคลิกทานให้เฉพาะเจาะจงให้กับผู้รับโดยตรงเช่นยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่เครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆนี้นี่เรียกว่าเป็นเป็นบุคลกทาน สังฆท า, านต้องมอาหาร เ, เข้าไปด้ยถ้าใครทานไม่มีอาหารไม่หรอกอันนั้นก็มัวกันไปสังฆทานนี่ อ, าาอถวายน้ําขวดเดียวก็เป็นสังฆท า, านได้ถ้าเราต้องการถวายให้กับสงอง <c> คือคำว่าสังบาคําว่าผู้รับเป็นใครเป็นส่วนกลางเป็นส่วนรวมหรือเป็นส่วนบุคคล <c> แต่ของของที่จะถวายนี่ไม่จําเป็นจะต้องครบ ปัจจัยสีย่เข้าใจไหมทีนี้คนนิยมว่านะของจะถวายพระต้องให้มันครบปัจจัยสี่ปลากระป๋องสักกละป๋อง ส, สักกระป๋องหนึ่งมาม่าสักเกาะสักอันหนึ่งแปลงเสื้อผ้านะผ้าผ้าผ้าจีวรก็เป็นผ้าเช็ดมือมากกว่าสักผืนหนึ่ง อ, อันนี้ก็เป็นผ้านะปัจจัยสี่ของพระอาหารยาก็ยาแก้ปวดสักสองสามแผงสายเข้าไปอแล้วอะไรกัน ใช่ไหมนอกจากกุฏิเช่านั้นเขาไม่ได้ถวายมันก็ไม่ใช่ปัจจัยสี่อยู่ดีมันก็ปัจจัยสามฮอญาตที่จะ่งงานพวกเอาแต่สนัยาธไม่เอาคือไม่ไม่ศึกษากันนะก็เลยเข้าใจกันไปตามคนไทยเรานี่โง่มากในเรื่องของเรื่องของทางศาสนาของตนเองอไม่ได้ศึกษาจากแหล่งที่ถูกต้องแล้วก็ฟังกันมา ฟังกันแบบผิดผิดถูกถูกแล้วก็มามามางงกันว่าเอ้ขายถูกใครผิดกันหน้าสมัยเด็กๆนี่เราได้ยินคําว่าผ้าไต่บ้างผ้าไกลบ้างไม่รู้มันบางคนก็เรียกว่าผ้าไกลบางคนเรียกผ้าไกลเนี่ยเพราะว่าคนชาวพูดเราส่วนใหญ่จะไม่ได้ศึกษากันก็อาศัยการได้ยินได้ฟัง มากันเป็นทอดๆก็เลยมีความค้าเคลื่อนความเข้าใจค้าเคลื่อนกันไปต่อไปก็จะมีการถามคำถามใครอยากจะถามที่นี่ก็ถามได้หรือถ้าไม่มีก็จะมีคำถามทางอินเทอร์เน็ตครับต่อไปเป็นคาถามจากทางเ facebook พระอาจารย์สุชาติพิชาโตนะครับจากคุณสลานาภพนะครับ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 เป็นอะไรสุขเวทนาถ้ามีความสุขเราก็รู้สึกว่าเราสุขเวทนาถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เจ็บไม่ไม่สุขเราก็เรียกว่ากลางกลางเวทนาก็แบ่งเป็นสามคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวลาใดที่เราสุขก็เรียกว่าเรามีสุขเวทนาเวลาใดที่เรามีทุกข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนาอันนี้ทุกขทางขันนะคือทาง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 อารมณ์ก็คือความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเช่นความว่าวุ่นขุนมัวความวิตกกังวลความเบื่อหน่ายความอิดหนาละอาใจความวิตกความกังวลความหวาดกลัวเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นเป็นอารมณ์ซึ่งในในทาง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 คือดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตนอยู่ในดินไม่มีตัวตนอยู่ในน้ำไม่มีตัวตนอยู่ในลมไม่มีตัวตนอยู่ในไฟฉันใดก็ไม่มีตัวตนอยู่ในตัวรู้ผู้รู้ฉันนั้นแต่ธาบรู้ฉันนั้นแต่เนื่องจากมีอวิชชาความหลงที่พระเจ้าทรงค้นคว้าหาจุดเริ่มต้นของอ ว, วิชชาก็ทรงไม่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 ให้มาแก้ตรงนี้ให้มันอยู่เป็นสุขให้ได้ตอนนี้มันอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วมันคันแล้วมันก็ไปคันผิดไปเกาผิดที่ที่มันคันมันไม่ไปเกากันพอพอคันปั๊บก็ไปหยิบเป๊กซี่มาดื่มพอคันปั๊บก็ไปหากาแฟมาดื่มหาขนมมากินนี่มันเกาผิดที่ใช่หมอที่มันคันก็คือความอยาก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 เพราะการหวงความเสียดายนี้มันก็เป็นความอยากอยากให้อยู่ต่อไปอยากพอไม่ได้อันนี้พอร่างนี้ไม่อยู่ต่อไปก็ไปหาร่างใหม่เพราะยังมีความอยากได้ร่างกายนี่แหละคือวิธีที่พระเจ้าส่งได้ค้นพบแล้วได้นำเอามาเผยแผ่สัง่งสอนให้กับพวกเราที่รวมอยู่ในพระอริยสัจสีนี่ทุกสมุทัยนิโรธนัก เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าเพียงพระองคเดียวแต่เป็นความจริงของสัตว์โลกสัตว์โล ก, ท, ก, ท, กทุกตัวนี้มีอริยสัจสีอยู่ในใจกันทุกตัวทุกคนแต่สัตว์โลกมองไม่เห็นอริยาาสัจสีเวลาเกิดความทุกข์ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากความอยากก็ไปแก้ความทุกข์ด้วยการทำตามความอยากแทนที่จะไม่ทำตามความอยากฝืนความอยากหยุดความอยากก็ไป ไ ป, ไปต่ออายุของความอยากไปเพิ่มความอยากให้มากขึ้นด้วยการทำตามความอยากนี่แหละคือเรื่องที่พวกเราต้องมาศึกษาและมาแก้กันให้ได้มาเกาให้ถูกที่เวลาไม่สบายใจอย่าไปดื่มกาแฟอย่าไปช้อปปิ้งอย่าไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆให้มานั่งวิปัสสนาเนี่ยคืนนี้มานั่งวิปัสสนา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 เหมือนที่พวกเราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้อยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนู้นพอไปตรงนู้นก็กลับอยากจะกลับมาตรงนี้มันก็กิ้งไปกิ้งมาเหมือนลูกฟุตบอลเหมือนลูกปิงปองนี่นี่แหละคือเรื่องของพวกเราที่เราควรจะให้ความสนใจกันอย่าไปสนใจเรื่องของอาจินตใยทั้งหลายเช่นว่าจิตนี้เกิดขึน้นมาเมื่อไหร่อวิชชานี้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่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 ดับความทุกข์ด้วยการละความอยากต่างๆเท่านั้นเองง่ายจะตายไปเรื่องเรื่องของปัญหามันง่ายปัญหามันมีแค่สามตัวเท่านั้นเองการมตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาหยุดสาตัวนี้ได้ปัญหาทั้งหลายในโลกนี้ก็จะหมดไปโลกจะอยู่กันอย่างสันติสุขที่ทุกวันนี้อยู่กันแบบ ไม่ไม่สงบสุขก็เพราะความอยากทั้งนั้นไปดูแต่ละประเทศก็อยากจะแยกประเทศกันอยู่ประเทศนี้ก็อยากจะแยกไปอยู่อีกประเทศหนึ่งมันก็เป็นความอยากที่ว่าแยากไปแล้วจะดีมันก็เหมือนเดิมอยู่และมันก็ต้องจ่ายภาษีต้องทํางานต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟเหมือนเดิมอยู่ดีมันไม่ได้ไปแยากแล้วจะได้อยู่ฟรีกินฟรีที่ไหนกันเปลี่ยนผู้นําใหม่มันก็เหมือนกันอีกแล้วเห็นคนนั้นมา มันก็เหมือนกันอคนนี้กินมากหน่อยคนนี้คนนั้นกินน้อยหน่อยมันก็กินเหมือนกันเราก็ต้องจ่ายภาษีเหมือนเดิมต้องจ่ายค่าหน้าค่าไฟเหมือนเดิมน้ํามันก็แพงขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เราอยากไปวุ่นวายกับเรื่องราวเหล่านี้มาแก้ปัญหาที่ใจเราอย่าไปอยากกับเหตุการณ์ต่างๆอยู่ก็ตมนไปตามมีตามเกิด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 ประเด็นของพวกเราอยู่ที่ตันหาความอยากของพวกเราอยู่ที่ความหลงของพวกเราทั้งนั้นเองของต่างๆในโลกนี้มันไม่มีสาระประโยชน์อะไรกับจิตใจของเราหรอกเรให้เรากอบโกลได้มามากน้อยเพียงไรมันก็ไม่ได้ทำให้จิตใจเราหายคันมันก็ยังคันเหมือนเดิมมันก็ยังอยากเหมือนเดิมมีธรรมะเท่านั้นน่ะที่จะทาให้ใจของเราหายอยากหายคันได้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 อย่าไปสนใจกับเรื่องของคนอื่นเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับจิตใจของเราเอาละนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญนุกเรืองในธรรมยิ่งขึ้นไปเทิด